อาจารย์ครับกลับมารกา ร, การคารับผมยารินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์มันมีเสียงปกติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีปัญหาแล้วไวไฟใช้่นี่กลับผมครั้งก่อนจะแล้วเป็นของผมเองกับอาจารย์ครับกลับก็อบายอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมืช้ า, ชาบินทบาตทคนเยอะไหมครับผมหยุดสองคนเช้ า, ชานี้ห้าร้อยสามสิบห้อยสาสิสี่ห้ารอยสีสิบ แต่มาาไม่ว่าจะเยอะกว่าสมงต้องการแปดร้อยกว่าแปร้อยอืมแปดร้อยสามสิบหกโอคนทั้งบ้านฝากใสประมาณสี่ร้อยอาจารย์รอบเดียวคนได้บุญพันสองรอยกว่าคนเลยครับอาจารย์อืมเ <c oughs> ช่นชมนะนโมทนาว่าเป็นการตีตัวไปสวรรค์ครับผม จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยการทำบุญทำทานนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ย้ายตายเวลาต่างกายตายไปใจจะได้ไปสู่สุคติครับดีจังเลยครับ เ, เพื่อนๆได้ทำบุญกันมากมายขนาด น, นี้นะครับอาจารย์อืับผมอาจารย์เขาวันนี้ก็เลยคุยเรื่องบุญเลยครับอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้คนมาาักจะชอบบุญมากไปทำบุญทำทานอะไรกันมาวันนี้ก็เลยตั้งหัวข้อว่าบุญคืออะไร ทำอย่างไรให้ได้ผลในออนิสงส์งมากมครับอาจารย์ ก, กับความเมตตากับผมคือบุญคือแปลว่าความสุขใจเป็นผลที่เกิดจากการกระทำความดีต่างๆความดีที่ทำให้เกิดความสุขใจนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้มีอยู่สิบข้อด้วยกันอยบุญยักเจอยาวัตถุสิบ ป, ประการหวัาผู้ที่ต้องการจะศึกษาละเอียดก็สามารถเข้าไปค้นหาอ่านได้ บุญธะคยาวัตถุสิบประการนี้กันซึ่งก็มีมีแบ่งเป็นระดับระดับล่างระดับกลางและระดับสูงบุญก็มีน้ำหนักมากน้อยต่างกันไปพรเจ้ปาประรงสอนให้ทำบุญตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปก่อนบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันคือการให้เรียกว่าทานอันนี้ก็ เป็นบุญที่ทุกคนสามารถทํากันได้มีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ไม่ต้องจําเป็นจะต้องมีเราก็เอาไปบริจาคไปช่วยเหลือคนที่เขาขาดแคลนตกทุกข์หนยากเหนื่อยร้อนเวลาทําแล้วใจเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเรายังสามารถที่จะอุทิศ แบ่งบุญที่เราได้ทําจากการให้ทานนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้อันนี้เป็นธําเนียมของคนไทยโด ย, ยเฉพาะช่วงสงการานต์นี้จะต้องไปทําบุญอุทิศให้กับผู้ญาตายายบิดาบรรดาผู้มีพระคุณทั้งหลายก็จะไปทําบุญทําทานตามวัดต่างๆใส่บาตบ้างบางแห่งก็มีการทําถวายภาพป่าบางสกุล เขานิยมทามเวลาทาบุญให้คนตายมันจะทาบุญด้วยการถวายผ้าบางสกลุลบางทีก็ไปไปที่เขาเก็บกระดูกของของวิดามานาปุยะตายายแล้วก็นิ ม, มนต์ผ้าไปรับผ้าบางสกุลและรับสังฆทานเป็นต้น อ, อ, อันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มทานออทาแล้วเขาก็มีความสุขใจก็สามารถแบ่งความสุขใจนี้ ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้ถ้าเขารอรับอยู่ที่เราไม่รู้ว่าเขารอรับหรือไม่เราก็ทำเผื่อไว้ทุกครั้งที่เราทำบุญทาทานเราเมั่อกจะทำเผื่อแบ่งบุญที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี้ให้กับผู้ที่องรับไปแล้วส่วนผู้ที่รับผู้ที่ราส่งไปรับนี้ท่านจะรับหรือไม่รับอยู่ที่สถานภาพของท่าน ว่าท่านมีบุญพอมีมากพอไหมถ้าท่านมีบุญมากพอเป็นเศรษฐีบุญท่านก็ไม่ต้องมาขอรับส่วนบุญแต่ท่านท่านทีบุญน้อยอาจจะเป็นเพาว่าช่วงที่มีชีวิตอยู่ประมาหรือไม่เชื่อในเรื่องบุญก็เลยไม่ค่อยได้ทําบุญอย่างนี้ก็อาจจะต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่เป็นญาติสนิทมิสหายส่งไปให้การที่เราทําบุญแล้วเราได้บุญแล้วเราสามารถ ทำบุญอีกชั้นหนึ่งด้ว ย, วยการเอาบุญเนี้ทำบุญด้วยบุญก็คืออุทิศบุญให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วเราก็จะมีเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใน้ไ ด, ไดทำบุญช่วยเหลือพระสงฆ์องค์งเจ้าที่ขายแคนแล้วได้มาช่วยเหลือโดงวิญญาณของปู่ย่าตายายบิดามารดาที่ลงรับไปแล้วก็ทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้บุญที่อยู่ในระดับทานมี การทำทานและการอุทิศบุญที่ไดจากการทำทานแล้วข้อสามก็คือการอนุโมทนาบุญเวลาใครทำบุญเราก็ขอร่วมด้วยไปช่วยหรือสนับสนุนก็ได้ด้วยเหตุการณ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช mm hmm. ่นบางทีเรามีลูกจ้างเขาอยากจะขอลาไปบวชเนี่ย <Yeah. S 1> เราจะเสียคนงานไปคนรานจะเสียประโยชน์ แต่เราก็ยินดีสละประโยชน์อันนี้ไปให้กับลูกจ้างให้เขาได้มีโอกาสได้ไปบวญเคยมีข่าวใช่ไหมบางทบีบริษัทโรงแรมมีพนักงานเขาอยาขอลาไปงานศพพ่อแม่แล้วโรงแรมก็ไม่ให้ไปสแสดงว่าไม่อนุโมทมนาบุญถ้าเราเห็นว่าเขาไปทำในสิ่งที่ดีก็ควรที่จะอนุโมทนาสนับสนุนทางรัฐบาล ของไทยเรานี่ยังอนุโมทนาบุญให้กับข้าราชการข้าราชการที่อนุญาตให้บุญได้90วันแล้วยังสามารถรับเงินเดือนได้ด้วย90วันนี้ไม่หักเงินเดื อ, น, อนนี่คือเป็นรัฐบาลเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอนุโมทนาบุญ ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการทําบุญได้ได้ทำได้มีโอกาสได้ทําบุญอย่างเต็มที่แล้ข้อที่สารที่เกี่ยวกับเรื่องระดับทางนี้ก็คือการรับใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นไปเป็นกิจอาสาเมื่มีเวลาว่างๆไ่รูจะทําอะไรดีไปรับเป็นจิตอาสาไปช่วยกับองค์กรการกุศลต่างๆที่ต้องการผู้ที่มา ช่วยทํางานทําการโดยที่ไม่ไม่ไม่รับนั้นตอบแทนเป็นอันนี้กระบุนที่เกิดจากการรับใช้สังคมแล้วรับใช้ผู้ช่วยเหลือผู้อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่ในระดับเดียวกันะทําแล้วก็เกิดมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาบุญในระดับหนึง่ง <c oughs> ที่้ที่เราสามารถกระทาได้จากระดับทานเราก็ไปสู่ระดับ ศีลคือการรักษาศีลการรักษาศีลนี่ก็จะทําให้เราไม่ไปทําบาปเมื่อเราไม่ทําบาปทุกที่เกิดจากการทําบาปก็จะไม่เกิดการที่ไม่มีทุกที่เกิดจากการทําบาปก็เป็นบุญอย่างหนึ่งทําให้เราสบายใจคนที่ไม่ทําผิดนี่มักจะมีความสบายใจกับคนที่มิทําผิดนคนทําผิดนี่จะมีความหวาดระแวงวิตกกังวลกลัวว่าจะถูกจับ ถูกจับผิดได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทํำผิดเราก็สึกสบายอกสบายใจแล้วอันที่สองของการทํารักษาศีลก็คือจะทําให้เราปิดประตูอบายได้เราจะไม่ต้องกังวลว่าตายไปแล้วเราจะไปอบายหรือไม่ถ้าเรารักษาศีลได้เราจะมีความมั่นใจมีความสบายใจว่าเราไม่ต้องไปอบายอย่างแน่นอน <c oughs> อันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเนสูงมันั่นก็บุญที่เกิดจากการภาวนาโืยการทำจิตใจให้สงบจิตใจใสงบโดยการท่านตนก็ต้องไปฟังเทศฟังธรรมก่อนอถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาว่าจะทำอย่างไรก็ต้องศึกษาการฟังเทศฟังธรรมก็จะเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่ง เพาะเวลาฟังเราจะได้หา้าอนิสงฆ์หประการด้วยกันคือจะได้ยินได้ฟังทำเช่นวิธีการภาวนาว่าทำอย่างไรถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการลาจิตตภาวนาถ้าเราเคยได้ฟังได้เรียนรู้มาบ้างแนละ้วแล้ววิธีปฏิบัติจิตตะภาวนาเป็นยังไงพอได้ฟังซ้ำเอกได้ทบทวนเพิ่มขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป จะทำให้เรากําจัดความังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติได้กําจัดนิวรณที่เวลาเราทำภาวนาบางทีเราไม่มั่นใจไว่าเราทำถูกหรือเปล่าทําทผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ในความเทศธรรมจากผู้ที่มีประสบะการณ์ที่ถูกต้องมาสอนเราก็จะได้มีความมั่นใจว่าถูกต้องไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยทําไปเลยกคำจัดความังเลสงสัยได้ ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นยังไงก็คือต้องเจริญสติเพื่อรับความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็ไม่ให้ไปสนใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ภาวนาอันนี้ก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเวลาภาวนาก็จะได้ภาวนาได้ผลนะรา้นีิสงขอ้อสุดท้ายจากการสองธรรมก็ จิตก็จะมีความสุขมีความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก่อนจะภาวนาก่อนจะปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็อาจจะปฏิบัติผิดผิดถูกถูกได้พอปฏิบัติผิดผิดถูกถูกผลมันก็จะไม่เกิดมันจะทําให้เราทอ้อแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้นังในสงสัยทําถูกก็บาทําทผิดก็บาป ถ้านได้ไดปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาเราท่านโดยตรงเพราะเดี๋ยวนี้มีเสือที่บันทึกเสียงของท่านมีหนังสือของท่านมาให้อ่านไนดะ้อย่างนี้หนังสือของตาหม า, หาบัวให้อ่านไปเถิดเป็นสัมมาทิฏฐิร้อยเอร์เซนต์วิธีปฏิบัติเจิดอันนี้นีย เช่นธรรมชุดเตรียมพร้อมในทั้งเกี่ยวกับองการบำเพ็ญจิตตภาวนาหรื่องสอนคนที่ต้องต้องอาศัยเพราะากำลังจะเสียชีวิตเป็นโรก อ, อะไรๆๆๆะการฟังเทศฟังธรรมย่างสำคัญมากศึกษาไม่ใช่อยู่ดีๆต้องอยากจะปฏิบัติก็ไปปฏิบัติเ้านั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็โมเมไป พอมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็โมไม่ว่าเห็นมีดวงตาเห็นทำเห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาแล้วในที่สุดก็กลายเป็นบ้าไปเนี่ยคนที่ภาวนาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีการเรียนศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเนี่ยโอกาสที่จะเสียสติก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าการภาวนาทำให้คนเสียสติเนะี่ยคนภาวนาที่ไม่ศึกษาแนวทางที่ถูกต้องนี่ก็อาจจะเสียสติได้ ก็ต้องคนจะศึกษาธรรมะาใหา่ท่องแท้ก่อนก่อนที่จะปฏิบัติอย่างเช่นก็มาฟังการสนทนาธรรมที่เรามีกันอยู่ทุกวันอาทิตย์นี่ก็เป็นการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตา่างๆแล้วท่านข่าวจงสสยก็สามารถสอบถามได้เลยน่นการฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งฟังแล้วก็จะได้คุณได้ประโยชน์ได้ความสงบขนะที่ฟังใจก็สงบ เพราะธรรมะเป็นอารมณ์เป็นธรรมเป็นอารมณ์ที่เย็นที่กล่อมใจจะทําทให้ใจไม่พุ้งซ่าไม่ถ้าไปคิดเรื่องอื่นคิดทําการบ้านการเมืองน่นใจมันจะร้อนขึ้นมาทันทีแต่พอ ม, มาคิดฟังธรรมธรรแล้วมันใจจะเย็นใจจะสบายส <c oughs> งบไดนะ้และบางคนที่ยังภาวนาะไม่ไนดะ้บางทีก็อาศัยการฟัาธรรมเป็นเป็นการเป็นอารมณ์ไปก่อนก็ไนดะ้ ตรรมาให้นั่งสมาธิดูลมหรือพุโทโธห้ามสี่สิบนาทีก็จะทำไม่ได้นะแต่ถ้าได้ฟังธรรมันกับนั่งได้บางคนชาบมาฟังธรรมที่นั่งมัตนตะ์ไปความดีได้ฟังนั่งไดนชั่วโมงหนึ่งโดยที่ไม่ต้องขยับร่างกายไม่ต้องอะไรเพราะใจมันมีอารมณ์กลมมีเครื่องให้ให้เครื่องให้เครื่องเครื่องผูกใจไว้ฟังธรรมฟังไปคิดไปพิจารณาไปมันน่าสนใจได้ความรู้ด้วย ในามมการสงบด้วยอันนี้ก็เป็นบุญสําคัญถ้าต้องการที่จะไปสู่การปฏิบัติธรรมท่านทําุญทำทานรักษาศีลก็ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันแต่มันไม่ลึกซึ้งไม่ยากเย็ยนยุ่งยากเหมือนกับการภาวนา <c oughs> ถ้าภาวนาแล้วต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ฟังแค่หนเดียวฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็บอกฟังใหม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะช คออบรมลูกศิษอยู่เรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งบองทีสามสี่วันก็เรียกมาอบรมอีครั้งนึงสี่ห้าวันก็อบรมท่าสมัยที่ไปอยู่กับหลวงตาใหม่ๆยุคแรกๆท่านตอนนั้นท่านไม่ค่อยมีแขกไม่ก่คนมามันรบกวนท่านก็อยาให้เวลากับพระเนียนมากทีสนนี่ห้าวันก็เรียกประชุมทีเรียกมาอบรมทีอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ทำธรรม พอเรารู้วิธีภาวนาแล้วเราก็ไปเจริญภาวนาถ้าเราทําภาวนาถูกเนั้นสตินั่งสมาธิทําจิตให้สงบได้จิตก็จะสงบแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นความประสุขที่สูงสุดเป็นบุญขั้นสูงสุดก็บุญที่เกิดความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงคือความความสุขที่ได้จากความสงบเพียงแต่ว่าความสุขที่ได้จากความสงบ ข, ของสมาธินี่มันยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวคือขณะที่จิตรวมสงบมันก็มีความสุขแต่พอถอดออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มคิดเรื่องนเรื่องนี้มีกิเลสตัณหาโผล ข, ขึ้นมาใจที่สงบก็จะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาเริ่มพงสานกัน ถ้าอยากจะให้ใจสง บ, บต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องภาวนาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาขั้นแรกเรียกสมมาถะภาวนาทําจิตใจให้สง บ, บอยาสง บ, บได้แบบชั่วครั้ชั่วคราวออกจากสมาธิมาแล้วครับสงบก็จะจางหายไปถ้าไม่รักษาไว้ด้วยสติหรือถ้าไม่ใช้ปัญญาถ้าถ้าใช้ปัญญาก็ต้องรู้ว่า เหตุที่ทําให้ใจไม่สงบหลังจากที่ออกสมาธิมาก็คือความอยากต่างๆนี่สังเกตดูเวลาอยู่ในสมาธิไม่มีความอยากใจก็สงบพอออกมาปุ๊บอยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะอะไรขึ้นมาใจมันก็จะเร่าร้อนขึ้นมาเริ่มกับเพิ่ม <c oughs> เริ่มอยู่ไม่นิ่งนะ่ะยิ่งอยู่ไม่สงบนะต้องไปหาสิ่งที่อยากมามาเสกเลย ถ้าเรารู้ว่าเราถ้าเราอยากจะให้จิตสงบต่อไปเราก็ต้องฝืนความอยากนี้อย่าไปทําตามความอยากเพราะถ้ารทำตามความอยากจะทําให้จิตนี้จะจะร้อนเนีแล้วความสุขที่ได้มันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องเสพอีกเช่นคนที่อยากจะสูบบุหรีอย่างเงี้ยเวลาไม่ได้สูบมันก็รู้สึก อ, อึดอัดหงุดหงิ พอได้สูบแล้วมวยแล้วเออล่องไปสักพักเดี๋ยวสร้างระยะหนึ่งมันก็อยากขึ้นมาใหม่เนะพอฤทธิ์ของบุหรี่ของควันบุหรี่ที่อยู่ในร่างกายมันหมดลทธิ์แล้ <c oughs> มันก็อยากจะสูบใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นบุหรี่กาแฟอไม่ว่าจะเป็นสุราหรือไม่ว่าจะเป็นการดูอะไรต่างๆดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของของกามาฉันทะทั้งนั้ ของกามาลงถ้าไปทำตามมาแล้วมันก็จะต้องไปทำอยู่เรื่อยๆวิธีที่แก้ก็คือพออยากจะพออยากจะเสพสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าไม่ควรจะทำตามแต่ถ้าเรายังมีกำลังสู้ความอยากไม่ไหวมันรู้สึกหุดหงิดรมานเราก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนดีกว่านั่กลับไปนั่งสมาธิพาวนาะพุโทโธพุโทโธทำจิตให้สงบไป แล้วก็ค่อยออกมาใหม่แล้วก็มาสู้กับมันใหม่เดี๋ยวต่อไปไม่ช้าก็เร็วถ้าสมาธิเรามีกำลังมากอุเบกขาเรามีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราก็จะเฉยกับความอยากได้มันอยากเราก็เฉยแล้วเราจะไม่รู้สึกหุงงงิตถ้าเรามีความสงบมีสมาธิมีอุเบกขาจากการนั่งสมาธิต่อไปเราก็จะชนะความอยากต่างๆได้พอเราสามารถชนะความอยากได้ เราก็เริ่มได้เลือกสูบบุหรี่ได้เลือกดื่มกาแฟได้เลือกดื่มโซดาได้เลือกดูหนังฟังเพลงได้เลือกช้อปปิ้งได้เลือกเที่ยวได้เลือกได้หมดเพราะว่าใจมันมีความสุขในตัวของมันเองเว้นแต่ว่าเวลาเวลาความอยากมันสงบตัวลงนี้ใจจะสงบใจจะสงบขึ้นมาทันทีถ้ากําจัดความอยากาที่โผ ม, มาด้วยวิธีนี้ได้หมด ต่อไปใจก็จะเป็นใจที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ใหเกิดความหงมเดหียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปใจก็จะสงบแบบถาวรเป็นประมังสุขขังไปเป็นนิพพานไปอันนี้แหละเป็นความสุขเป็นบุญที่สูงสุดป็นบุญที่เกิดจากการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา <c oughs> แต่ก็ต้องผ่านบุญขั้นระดับต่ำก่อน ถ้าเรายังทำบนระดับต่าไม่ได้เราก็อย่าไปหวังจะไปทำระดับสูงได้ถ้าเรายังเสียสละแบ่งปันเอาชนะความตหนีเอาชนะความโลภไม่ได้เราเราจะไปหวังว่าเราจะมาภาวนาได้เราจะรักษาศีลอย่างไม่ได้เราเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนจากนั้นก็ต้องรักษาศีลแปดให้ได้มันเป็นบนขั้นมันเป็นขั้ น, ข, นขั้นไป ส, <PTSD> ส่วนเอิญก็ม <250 S 1> ีอีกสองสามข้อที่ถ้าเรามารู้ทำนะเราอยากจะเอาธรรมะไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อนก็ได้การให้ธรรมะแก่ผู้อนก็ทําให้เรามีความสุขเวลามาสนทนาธรรมกับญาติโยมแสดงธรรมใจก็สบายมีความสุขคนฟังก็ได้รับประโยชน์เพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งบุญคนฟังก็จะได้รู้ได้สมาทิเติมได้ความรู้ที่อยากไปปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ ก็สร้างบุญสร้างอุสลที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของตนเองต่ อ, นนตอไปอาจารย์ครับผมดำเนินรายการนี้ผมก็มีความสุขนี้ผมก็ได้บุญเหมือนกรรันนะครับอาจารย์ใช่ก็คืบุญที่เกิดจากการฟังธรรมยอบุญที่เกิดจากการสนทนาธรรมการเลนะธรมรมะสักัชาแปลว่าการสนทนาธรรมตามการตามเวลาการเลนะธรรมะสวนาการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง มงคนก็คือความสุขความเจริญของจิตใจนี่ขอบพระคุณท้าอาจารย์ครับวันนี้เข้าใจเรื่องบุญกระจาญไหมครับผ ม, มเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าไปทาบุญคือเอาเงินไปที่วัดให้วัดก็จบนั่นคือบุญครับไปอย่างส่วนหนึ่งส่วนแรกส่วนที่ง่ายก็ส่วนที่ยากกว่านั้นก็คือการรักษาศีลแล้วก็การเลือกเสษ บ, บาบาญมุกนี่ เป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปตามลําดับแล้วก็ขั้นต่อไปสิ่งแปดก็ยิ่งยากเลิกเสพรูปเสียสงกลิ่นรดไปไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินไม่ดืม่มตามความอยากต่างๆมันก็ค่อยยากขึ้นไปตามลํานดะับนให้เป็นเจริญสติพุโทโธไม่คิดอะไรก็ยิ่งยากใหญ่ให้ไป น, นั่งนั่งดูลมหายใจนั่งบริการพุโทโธเพื่อจิตลมมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอ่ะนะ อันที่ส่งที่ได้มันมากเึ้นบุญมันจะมีความมีความสุขมากขึ้นไปตามลาดับมีคําถามบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทําบุญที่วัดควรทําอย่างไรให้ได้บุญอันนี้พระอาจารย์น่าจะตอบได้อย่างชัดเจนแนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีที่ไหนก็ได้องค์กรการกุศลต่างๆจะเป็นวัดก็ได้เป็นสถาบักาชาติก็ได้องค์กรไหนที่เราเห็นว่าเขาทำบุญทำประโยชน์ให้แก่สังคม ก็เราอยากจะสนับสนุนแล้วก็ทาบุญกับเขาได้การทาบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทํากับวัดกับศาสนาเพียงอย่างเดียวการให้นี่ให้กับผู้ผู้ที่ทําคุญทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ทุกทุกคนหรือให้กับผู้ที่ทุกทุกยากเดือดร้อนก็ได้เนั้นนี่เราชวงนี้การจะบวชเทอมมีคนมาขอขอรับทุนการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่องผม ลูกลูกพระอาจารย์เต็มเลยครับเนี่ยนุ้วัยหกสิบกว่าแล้วกับกันผมอัดของนุ้งพัฒนาบุญไว้ครับอาจารย์ครับก็ช่วยค่าเทอมช่วยค่าหนังสือช่วยช่วยค่าเครื่องแบบรองเท้าอะไรพวกนี้บรรเทาบรรทาพาระให้กับปิดามารดาเพราะบางทีรายได้ไม่พอที่จะมาจับจ่ายใช้สอยกับเครื่องราเหล่านี้ อโอกาสถามคำถามจาก เ, เพื่อนๆนะครับอาจารย์ครับคุณอัญชลีบอกว่าเพิ่งจะสูญเสียสามีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับด้วยการหัวใจวายตอนนี้หัวใจสลายและเป็นทุกข์มากถึงแม้จะฝึกตามที่พระอาจารย์สอนมาแต่ยอมรับว่าเสียสูญจริงๆลบกวรสอบถามพระอาจารย์3ข้อนะครับข้อที่1อยากจะบอกสามีว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกกับดิฉันถ้าเราสวดมนต์นักสมาธิอธิษฐานบอกเขาไปเขาจะรับรู้ไหมครับหรือต้องทําอย่างไรได้บ้างครับ เขาคงไม่ต้องสนใจนักห้าเข้าไปนะเขาเป็นเหมือนคนนอนหลับนะเขาก็ไปสู่ อ, อยู่ในโลกของความฝันไปนะยังไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะมาโหงญายเราหรอกเพราะว่านอย่างเราการจะติดต่อเขานี่ถ้าเราไม่มีอภิน ญ, ญาไม่มีอความสามารถมีเราไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ลงลับไปแล้วได้ต้องมีอภินญะญต้องสามารถที่จะเข้า อ, อ, อุปจารสมาธิได้ เราสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ได้เท่านั้นหรือจะสามารถจะติดต่อกับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้ข้อที่สองครับทําบุญตักบาตรให้สามีทุกวันเขาจะได้รับส่วนบุญที่ส่งให้ไหมครับก็อย่างที่พูดว่าอยู่ที่สถานภาพของเขาว่าเขาต้องการบุญหรือไม่ถ้าเขาได้ทําบุญมาพอก็มีบุญที่เขาอาศัยบุญของเขาได้เขาก็จะไม่มารอรับบุญจากใครเขาก็จะไปรับผลบุญของเขาทันที ข้อที่สามครับดิฉันยังสมัมผัสได้ว่าสามียังใกล้ดิฉันเหมือนเขาครับอันนี้าอาจะรู้จริงว่าเขาเป็นของจริงเราไม่นานต้องคุยกับเขาได้คุยก็ไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็ตอบเราได้อย่างนี้เป็นอุปท า, านส่วนใหญ่จิตเรามักจะชอบสร้างความรู้สึกรอบเราเองคําถามจากคุณแว่นครับการทําทานโดยการรับ โดยการบริจาคสิ่งของใสบาตประสงค์เ<ม>ทียบกับการมีศีลสติและภาวนาอะไรได้บุญมากกว่ากันครับก็อย่างที่บอกว่ามันบุญให้ทานมันน้อยกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็น้อยกว่าการภาวนาสมถะภาวนาสมาธิบุญที่ได้จากการได้จากก า, ภ า, ารภาวนาสมาธิก็น้อยกว่าการบุญที่ได้จากการเจริญเพราะวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญามันเป็นขั้นๆั้นไป มัอนระดับปัญญาเนี่ยมันความรู้มันรอบมากน้อยต่างกันไปคุณสุทารัตนาา์ครับกราบธรรมศสร์การพระอาจารย์ครับอยากเรียนถามนั่งสมาธิไม่ได้นานใจชอบปฏิบัติแต่ต้องแต่ต้องยังวุ่นวายทางโลกมากพอสมควรต้องทําอย่างไรดีครับเอ่อก็ต้องเรื่องเราทางในทางหนึ่งนะถ้าชอบปฏิบัติก็ต้องลดภาระรทางโลกให้ให้น้อยลงไปลด ด้วยความอยากจะได้รายได้มากให้มันน้อยลงไปหาเกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออย่าไปหาเกินเพื่อใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติได้มากขึ้นมีหลายท่านบอกว่าวันนี้ได้ไปฟังธรรมะนักกุฏิพระอาจารย์นะครับมอืมคุณดีนครับหากปฏิบัติโดยดูเอริยาบทในชีวิตประจําวันเพียงพอไหมครับ บางทีทำงานเหนื่อยกลับบ้านมาจะไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิครับมันไม่เพียงพอหรอกเพราะต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบการมีสติดูเรียบทยประจาวันก็เป็นการเจริญสติก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแต่เมื่อมีได้เจริญสติแล้วต้องเอาสติมาใช้กับการนั่งสมาธิเพราะเป้าหมายก็คือเราต้องการให้ใจงสงบเราจะได้มีความสุขจากความสงบ คุณอรารยาครับการที่เราเป็นหนี้ที่ยังใช้ไม่หมดสามารถไปบวชได้ไหมครับอยากจะบวชตลอดชีวิตครับเข้าใจว่าเขายังไม่ให้บวชนะถ้ายังมีหนี้สินอยู่เข้าใจมีถามคาถามหลายข้อด้วยกันสมัยนี้ยังมีคำถามที่ว่าคุณมีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าบงทีต้องได้นหนังสือรับรองจากจากสถานีตำรวจในเขตที่เราอยู่ด้วยรับรงว่าเราไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคดีความแล้วก็ต้องไปรับใบตรวจใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่มีเชื้อโรคติดต่อเช่นโรคเอชวีหรือโรคอะไรต่างๆนี้ก็ถ้ามีเขาก็จะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่รับบุตรคุณฮาวฟ้าครับการที่สวดอ้อนวอนพระเช่นเส้นไหว้พระแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือขอลาบขอให้ตุอย่างราบรื่นถือว่าเป็ น, นปศีลปรตปาฏ ศิลปะตะปรามาตรไหมครับเหมือนการสวดอ้อนวอนติดสิมบนการไหว้พระอะไรอย่างนี้ครับกับคอาจารย์ใช่ก็ถือว่าเป็นศิลปะตะปรามาตรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลในใจอย่างใดเป็นความรู้สึกให้เราเป็นจิตทางด้านจิตวิทยาท่านว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วเพื่อบรรเทาความทุกข์เดือดนรน้อนของเราซึ่งความทุกข์เดือดร้อนของเราส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทาบาปใช่มากกว่าหรือเกิดจากความอยา อย่างพระโสดาบันนี่รู้เลยว่าความทุกข์ใจเดือดร้อนใจนี้เกิดจากความอยากหรือเกิดจากความาการกระทําบาปนะก็อย่าไปทําบาปอย่าไปอยากให้อินดีตามมีตามเกิดมันก็จบแตมันอยากได้นะ่ะ อ, อยากได้นู่นอยากได้นี่นพอไม่ได้มันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเขาบอกว่าไปมูที่นั่นมูที่นี่ก็ไปกันตนอะ <c oughs> นจะเล่นแล้วจะสบายใจนอนหลับ <c oughs> ใช่ไหมทั้งนั้นเละ จะได้หรือจะได้หรไม่ได้เขาก็ไม่ก็ไม่ก็ก็ไม่สนใจแล้วแหละอย่างน้อยก็นอนตาหลับแล้วว่าเราได้ทําสิ่งที่เราควรจะทํานะเราเวลาได้มันก็ไม่ใช่เพราะเหตุที่เราไปขอบิงวอนขอมันถึงเวลามันจะได้มันก็ได้เองถ้ามันไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้มันก็อยู่ยังไม่ถึงเวลาจะได้มันก็ไม่ได้อย่างที่พูดว่าเรื่องราเหล่านี้มันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของราภยศ รามยศสังเสริญสุขนี่มันอยู่ภายใต้กฎใจแล้วมันเหมือนดินฟ้าอากาศถ้ามีปัจจัยมันพร้อมที่จะทําให้มันเกิดมันก็เกิดถ้าปัจจัยไม่พร้อมให้มันเกิดมันก็ยังไม่เกิดคุณตุ๊กตาบอกว่ามโนวิญ ญ, ญาณธาตุหมายถึงอะไรครับคําว่ามโนแปลว่าใจวิญ ญ, ญาณธาตุก็หมายถึงธาตุรูน้นี่ก็คือใจเหมือนกันันนอเดียวกันตัวเดียวกัน คุณดำครับเคยได้ยินมาว่าบุญทำไม่ดิไม่ได้เพราะบุญเป็นผลของการทำทานดังนั้นต้องทำทานถึงจะได้บุญไม่ทราบว่าที่ได้ยินมาอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ทานเป็นเหตุไงคือเราต้องมีการเสียสละแบ่งปันข้าของเงินทองสิ่งของให้กับผู้อื่นไปพอเราทำแล้วก็เกิดบุญคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแต่เราชมักจะใช้คำสองคานี้แทนกันไปไปทาบุญบั่งไปทาทานมาง แล้วบางคนก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าเวลาไปทําบุญกับเวลาไปถวายของให้กับพระเรียกว่าไปทาบุญเวลาเอาของไปช่วยคนยากคนจนเรียกว่าไปทําทานแต่ความจริงมันเป็นทานทั้งทั้งสองอย่างเป็นการให้แปลว่าเป็นการให้การเสียสละแบ่งปันบริจาคแล้วคนที่ทำได้ก็คือบุญคือความสุขใจอิ่มใจคุณ ยบอกว่าขอวิธีลดอัตราครับอาจารย์ออก็ต้องถือคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ผู้อื่นนับุญก็มีบุญอยู่ข้อหนึ่งคือการรับใช้ผู้อื่นอาจไปเป็นจิตอาสาอัดไปรับใช้สังคมทำตัวให้เป็นแจวอันนี้เป็นการลดอัตราตัวตนคุณนงรักษ์ครับร่างกายเจ็บป่วยเวลานั่งสมาธิให้ภาวนาพุทโธหรือพิจนารณาที่ความเจ็บป่วยดีครับ แล้วแต่ว่าเราทําอย่างไหนได้ถ้าเรายังพิจารณาความเจ็บป่วยไม่เป็นก็เราก็ต้องใช้การภาวนาพุทโธไปก่อนเพราะมันง่ายไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจอะไรเพียงแต่พุทโธพุทโธไปให้หยุดความคิดให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับอาการเจ็บป่วยของร่างกายแต่ถ้าเราต้องพิจารณาความเจ็บป่วยนี่เราต้องเข้าใจว่าพิจารณาอย่างไรเราต้องพิจารณาว่าความเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องของร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเราต้องรู้จักแยกแยะเราออกจากร่างกายให้ได้เรายอมรับสภาพกับความเจ็บป่วยของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้มันจะเจ็บป่วยก็ปล่อยมันเจ็บป่วยไปแต่ใจเราจะไม่เกิดความอยากให้มันหายตัวที่เป็นปัญหาก็คืออยากให้มันหายถึงไปหาหมอกัอนใช่คนที่ไปหาหมอก็อ ย, กอยากจะหาย แตคนที่เขาไม่อยากหายเขาเเก็ไม่ต้องไปหาหมอให้เสียเลวลาไปอยู่กับมันไปครับยังไงจะดีกว่ากันครับสบายใจกว่านครับอยู่กับมันได้ก็สบายใจเนี่คุณปอนถามว่าไม่อยากเจอคนในครอบครัวที่เมาทุกๆวันทําอย่างไรให้ผมจะเข่าได้ครับก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะ ก็อยู่วัดเลยรับรองนะคนคนเมาไม่ไม่เข้าวัดวัดไม่ต้อนรับคนเมาไปบวชครับแล้วเราจะเจอแต่คนดีๆเวลาไปบวชคนมีศีลมีอัตมีธรรมคุณจิตมนัตครับอัปปนาชาญกับอัปปนาสมาธิแตกต่างกันอย่างไรครับอัปปนาชาญไม่มีหรอกมันมีแต่อัปปนาสมาธิอย่างเดียวคือความสงบที่นาน เรียกว่าอัปปนาสมาธิความสงบที่สั้นเรียกว่าคเนกะสมาธิคุณจีครับการที่เราไปเที่ยวบาร์โฮสบาบไหมครับเพราะต้องซื้อเครื่องดื่มให้เขาครับคือถ้าเราไม่ดื่มเองก็ไม่บาบการดื่มชุรลาถึงจะบาบแต่ถ้าเราไม่ดื่มชุวรลาเราก็ไม่บาบแต่การไปเที่ยวมันก็เป็นการไปเสพอบายมุขก็ไม่ควรทําอย่างนี้ พอ ม, มันมันไปเสพสบายมุกเดี๋ยวมันก็นื่ไม่พ้นจากการทํำบางอยู่ใกล้ๆโซลาเดี๋ยวไปไป ม, มาคนนั้นก็ชวนคนนี้นก็ชวนเดี๋ยวก็อ ด, อดอดไม่ได้ก็ต้องเดิมเข้าไปจนได้ย<ม>ิ่งอย่าไปเลยดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยกว่าเมื่อไปที่ไม่มีการเดินโซลา<ม>ไปที่ร้านขายอาหารก็ได้นั่งกินอาหารกันคุณกำมณฑำครับ เวลาทําทานจะนิยมบอกว่าทําทานอันนี้ได้อา น, นิสงอย่างนี้คําว่าอา น, นิสง์คือผลของทานใช่ไหมครับใช่ซึ่งความจริงผลของทานก็คือความรู้สึกสุขใจอิ่มใจแต่ครัเข้าไปว่ามโนภาพกันว่าถ้าให้ข้าวเนี่ยพบหน้าชาหนะก็จะได้ข้าวกลับมาให้อะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมาเพราะาตามกฎแห่งกรรมเขาว่ายอย่างนั้นให้ทุกแก่ท่านก็ทุกท่านก็จะกลับมาหาเรา ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาเราเขาก็เลยสรุปว่าให้ข้าวก็ต้องได้ข้าวกลับมาให้เงินก็ต้องได้เงินกลับมาเขาอะไรนิยมเรือกเว่าเขาอยากจะได้อะไรกลับมาเขาก็จะให้สิ่งนั้นแต่ความจริงมันเป็นเรื่องนามธรรมมากกว่าอันที่สองของบุญก็คือความรู้สึกความสุขใจอิ่มใจคุณกระต่ายทองครับเอาสุนนะัข มาเลี้ยงให้อาหารมันตายโดยไม่ได้ตั้งใจบาปไหมครับอ๋อถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปครคุณอนุมาครับทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์ถ้าใส่เงินถวายด้วยได้บุญไหมครับือเงินนี่ถวายได้แต่ต้องถวายยากอองจากอย่าไปใส่ในบาตรฝากกับพระลูกศิษย์ไว้ที่มากับท่านแล้วอันนี้ช่วยบอกให้พระทราบว่าขอต่อให้ปัจัย ไม่ทราบว่าจะให้ใครเป็นผู้รับท่านก็จะบอกให้คนนี้คนนั้นเราก็มอบให้กับคนนั้นคนนี้ไปแต่ถ้าท่านไม่สะดวกท่านก็บอกว่าไม่รับก็เราก็ไม่ต้องให้ไปคุณสำลีครับแค่เราคิดอะไรดีๆทุกสิ่งแล้วก็ปล่อยวางได้บุญสําหรับตัวเองไหมครับถ้าเราปล่อยวางเราก็ได้ความสุขเช่นเรากําลังทุกกับคนนั้นคนนี้พอเราปล่อยวางเขาได้ความทุกข์ก็จะหายไป คุณพริตตี้ครับถ้าปล่อยวางกายได้แล้วจิตเห็นจิตและการปล่อยวางจิตคือท่องทำอย่างไรครับคือการจิตเห็นจิตก็คือเห็นว่าจิตไม่ได้เป็นไม่มีตัวตนนั่นเองจิตก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นท่านรู้ที่สักแต่ว่ารู้ที่มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดไม่มีตัวตนก็ต้องปล่อยวางจิตอย่าไปคิดว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิต จิตเป็นธรรมชาติเหมืนกับร่างกายก็ปล่อยก็ปล่อยวางแบบเดียวกับปล่อยวางร่างกายนั่นเองเราไปเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเอาไปแล้วก็ต้องไปเห็นจิตว่าไม่ใช่เราถ้าอย่างนี้ถึงขั้นอนาคตได้ไหมครับอาจารย์ ถ, ถ, ยถ้าปล่อยวางกายได้มันก็เข้ามันก็เป็ลางานคาพอปล่อยวางจิตได้ก็เป็นผ้าหลานคุณอนัญญาครับบอกว่าครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิ มีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สื่อสารให้เราเห็นแต่ส่งจิตบอกไม่ต้องการเห็นมันคืออะไรครับวันนี้ก็ไม่ชราบเหมือนกันนะถ้าเราถ้าถาเป็นเราเราก็ไม่ไปนสนใจเราก็พิจารณาว่าเป็นใจรักไปเพราะนั้นนิจามทุกขังหน้าตาเป็นปรากฏการก่อขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปเป็นหน้าตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้แต่ให้เราเรู้ทันก็อย่าไปโหนกับมันทั้งเองวัยมันผ่านไป คุณสูงครับการอยากบรรลุธรรมอยากไปนิพพานอย่างนี้ถือเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นกิเลสเป็นมรรคถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากมันก็จะไม่ปฏิบัติมากแ ม, ม่ปฏิบัติมากมันก็บรรลุไม่ได้คุณนึกครับถามว่าความรู้สึกเกิดสภาวะสิ้นยินดีควรปฏิบัติภาวนาอย่างไรต่อครับก็พิสูจน์ดีว่าสิ้นยินดีจริงหรือเปล่า ม, มีมีเงินเมีทายินดีกับมันหรือเปล่าถ้าไม่ยินดีก็ยกให้คนอื่นไปเก็บไว้เท่าที่จําเป็นดูอยู่ยอดมันมันสิ้นยินดีจริงหรือเปล่าไม่วันเพียงแต่เราเรานั่นเองต้องนำ ม, มาสู่การปฏิบัติทดสอบพิสูจอย่างที่หนึนคุณจุไรรัตครับการทําบุญกระดูผู้ล่วงลับไปแล้วในวันสงกรานต์บางสกุลมีความหมายอย่างไรและผลบุญมากเท่ากับการใส่บาตรไหมครับ คือกระดูกนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่เหลือของคนที่เรารู้จักในขณะที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเร า, เรายังไม่อยากจะให้ให้เขาจากออกไปเราก็เลยเก็บกรดูกไว้เท่านั้นเองแล้ ว, ล เ, ว เ, ลเวลาทําบุญประจําปีเราก็มักจะไปทําที่กระดูกเหมือนคนจีนเขาเข้าไปที่หลุมฝังศพอะไรแบบนี้ไปที่เชียงแมงกันเข้าไปเพื่อที่เราเขาจะได้รนึกถึงคนที่เขารู้จักในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง แต่การไปไหว้กระดูกหรือเป็นการเอาอาหารไปตั้งไว้หน้ากระดูกนี่ไม่ได้เป็นบุญใดอย่างใดเพราะไม่มีผู้รับของของที่เราไปตั้งไว้เดี๋ยวเรากลัำมากินเองถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องเอาไปใส่บาตรนั่งถวายพระไปนั่งเอาไปบริจาคให้คนจนไปแล้วก็อุทิศบุญให้กับคนที่ลงรับไปแล้วคุณจริยาครับ มีวิธีกําหนดให้สติอย mm. ู่กับปัจจุบันแบบง่ายๆในระหว่างวันไหมครับเพราะว่าชอบลืมกําหนดครับมีพุทโธไงท่องไปทั้งวันพุทโธพุทโธไปถ้ามีพุทโธอยู่มันก็มีสติลืมได้ไงคําเดียวกันคําว่าสติทํามันทําให้ลืมชอบลืมกันแล้วกันถ้าถ้าถ้าคิดว่าสติลืมลองท่องชาวเมืเงินแทนก็ได้เพราะเราไม่ค่อยลืมเรื่องเงินเงินเงินเินเินเินเงินเป็นความอยากครับ คุณชัยพลครับการพูดหยอกล้อกับเด็กทั้งเรื่องจริงเรื่องโกหกเพื่อไม่ให้เด็กร้องไห้จะผิดศีลของข้อพูดเพื่อเจอข้อมุสาไหมครับถ้าถ้ามันโกหกก้อมุสาเนี่ยถ้าถ้าพูดเพื่อเจอมันก็เพื่อเจอถ้าไม่เป็เรื่องเป็นสาระก็ถือว่าเป็นเรื่องเพือเจอโกหกก็เป็นเรื่องก็ผิด เพราะป็นคาโกหกเ็งก็หลีกเนี่ยงจะพูดพูดแบบมีสาระในการอธิบายเห็นอธิบายผลให้เด็กเขาฟังดีกว่าเด็กเขาก็ไม่เช่นเราไปสอนให้เขาหลงหลงหลยกับความไม่จริงเดี๋ยวโตโตขึ้นเขาก็จะไปเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงพูดตามความเป็นจริงเพูดด้วยเห็นด้วยผลนะพูดความจริงคุณนะัดบอกว่าการนั่งสมาธิจะได้บุญอย่างไรครับ ก็บุญที่เกิดจากความสงบไงความสุขที่เกิดจากความสงบการทําบุญนี้ก็ทําเพื่อให้เกิดความสุขขับใจเราทําทางก็เกิดความสุขใจรักษาศีลก็เกิดความสุขใจนั่งสมาธิทาใจให้สงบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางก็เกิดความสุขใจขึ้นมาคุณเปิ้ลครับการอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวและเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่อย่างนี้ทําได้ไหมครับ มนเทวดาก็ไม่ต้องการบุญนะครับเพราะเทวดาก็มีบุญของเขาอยู่แล้วเพราะถึงได้ไปเป็นเทวดานั้นบุญที่อุทิศนี้เราอุทิ่ให้แต่คนที่เป็นเปรตนะโยมวิญญาที่เป็นเปรต่นะที่จะมารอรับส่วนบุญคุณหอมครับเวลาเราเหนื่อยเราท้อควรทําอย่างไรครับก็พักก่อนก็นได้แต่อย่าเลิกตอนนี้เหนื่อยแล้วก็พักก่อนพอให้เหนื่อยแล้วเราก็กลับมาทำใหม่ คุณสุปตาครับมีอารมณ์เบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่รู้ทันจับอารมณ์ได้แต่หนูยังไม่ได้ความสุขจากการนั่งสมาธิเลยไม่สามารถดับอารมณ์นั้นได้เลยทําความเข้าใจว่าความเบื่อห น, นี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะดับไปเองแบบนี้ได้ไหมครับได้อันนี้ก็ใช้ปัญญาแทนพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นไตรลักเป็นอ น, นิจจังไม่เทีย่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไปอันนี้มันอยู่ก็อย่าไปอยากให้มันดับใจเราก็จะไม่ถูก ที่เราทุกข์ว่าเราอยากจะให้มันหายไปหลับไปแต่เราสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาก็ปล่อยมันไปอยู่ก็มันไปเี๋ยวมันก็ไปเองคุณกมณฑ์พัดครับตอนป่วยแล้วบอกว่าถ้าหายจะบวชชีแล้วตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้บวชจะเป็นอะไรไหมครับก็โกหกตัวเองเลนไม่ได้โกหกใครนะโกหกตัวเองนี่ร้ายรายกาจกว่าโกหกคนอื่นนะ ว่าเราเสียประโยชน์จะหลอกตัวเองเข่าต่อไปไปบนบานใหม่เนีจะไม่มั่นใจว่าให้เราแล้วะ จ, ะจะได้ตามที่เราอยากหรือเปล่าเพราะเราไปโกหกเขาครั้งแรกเขาแต่ความจริงการบนนี่มันไม่เกี่ยวกับการกับสิ่งที่เราได้รับหรือไม่ได้รับเราะมันคนละเรื่องกันแต่เราไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวดองกันคุณอัชลาครับ ถ้าใจเราเป็นกุศลอยากทำบุญทำทานเช่นเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแต่ช่วงเวลานั้นเราไม่สะดวกที่จะช่วยเหลือเขาแต่ใจเราคิดที่จะให้จะช่วยเหลือเราได้บุญหรือไม่ครับยังไม่ได้เลยต้องทาต้องทำหนึ่งจะได้บุญอย่างก็คิดไปเฉยเฉยก็ได้บุญไม่ใช่คิดจะทำบาปยังไม่ได้ทำบาป ก, ก็ยังก็ยังไม่บาปคิดจะทำบุญยังไม่ได้ทำบุญก็ยังไม่ได้บุญต้องเกิดการกระทาขึ้นมา คุณแป๋มครับสภาพนิพพานเป็นสภาพว่างหรือสภาพที่จิตเฉยครับอ๋อจิตมีความสุขปราศจากตัณหากิเลสต่างๆอยู่ยังมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจคุณชยาดาครับบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติมาและได้อุทิศณเวลานั้นไปแล้ว ในเวลาอื่นหากเราระลึกถึงอีกครั้งเพื่ออุทิศให้บุคคลที่ล่วงลับสรพพสารอื่นอีกจะได้รับเท่ากันเหมือนครั้งแรกไหมครับก็มันได้ครั้งเดียวจะไปรับจะไปอุทิศกันหลายๆครั้งได้ยังไงอุทิศไปแล้วมันก็จบแล้วโอนเงินไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> อยากจะอยากจะโอนเงินใหม่ก็ต้องเอาเงินงใหม่โอนไปไ <c oughs> นี่ก็ทำมันครั้งเดียวก็อุทิศไปไปทั้งชาติเลยับ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> คอาจารย์แล้วถ้าทำแล้ววันนั้นยังไม่ได้อุทิศนะครับอาจารย์ตอนพอเรื่องนั้นก็อุทิศได้แต่เขาว่ามันอาจจะไม่ไม่สนเหมือนกับตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆมันอาจจะมีสิ่งอย่างอื่นแปะเปิ้ลติดไปด้วยเพราะเราอาจจะมีอารมณ์เสียมีเรื่องราวข้างๆอยู่ในใจดังนัเวลาที่เราทําเสร็จใหม่ๆให้ให้อุทิศ ต, ตอนนั้นเลยเพรอทําบุญเสร็จก็อุทิศไปเลย มันจะไดไ้ไม่มีไม่มีสิ่งที่มาแปะเปื้อ ม, มาเกาะบนแต่ถ้าเราเราไม่ได้อุทิศเดี๋ยเราไปทะเลาอะอกับคนนั้นไปทะเลาะกับคนนี้เราไปเเครียดกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาอุทิศมันจะไม่มัน ม, มันจะไม่รู้สึกว่ามันได้ได้ไดเต็มที่มันมีสิ่งอะไรอย่างแปลกปลอมติดไปด้วยมีคนบอกว่าฝันเห็นพระอาจารย์จะมีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ไหมครับ มีหรืไม่อยู่ที่ตัวเรานรั่นแะถ้าเรามีความตั้งใจมันก็มีถ้าไม่มีความตั้งใจมันก็ไม่มีคุณทาในจิตครับปัจจุบันขณะดำเนินชีวิตประจำวันเห็นทุกสุขเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยรู้เห็นแต่ไม่กระทบใจใจจะเฉยเฉยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอยากเรียนถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าการที่รู้สึกเฉยเฉยนั้นเป็นเฉยในเวทนาหรือว่างเฉยในอุเบกขาเป็นอุเบกขาครับ คือสุขทุกข์นี้มันมีสองแบบสุขทุกข์ในเวทนากับสุขทุกข์ในใจสุขทุกข์ในเวทนาก็คือเวลาที่อะไรมากระทบกับกับอัยตนะเช่นตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็เกิด อ, อาการสุขทุกข์ขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องของสุขทุกข์ทางเวทนาซึ่งบางทีเราควบคุมบังคับไม่ได้บางทีอยู่ดีก็แสบตาขึ้นมาอย่างเนี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเวลาบางทีเห็นอะไร ที่สวยงามก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้เป็นทางเมตนาทุกทุกทางใจก็คือเวลาเกิดความเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นเราเรียกว่าทุกทางใจคือความเครียดต่างๆความวิตกความกังวลความอะไรนี้เวลาที่ไม่มีความเครียดความวิตกใจสบายอันนั้นก็เป็นความสุขทางใจคุณพันพัดครับป่วยไม่สบาย บนว่าบวชชีพราม์ใสบาทพระสงฆ์จะหายป่วยไหมคะหรือติดวิบากกรรมอยู่ เ, เดิมคะคุณหมอไม่มีอาชีพเ้ราะคุณหมอก็ตรงงานเลยถ้าถ้าสามารถไปบนบานแล้วหายได้ก็ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาลให้เสียเวลากป่าๆคุณก้าวเดินครับกฎอิทธปัจจยตาเหมือนหรือแตกต่างจากปฏิจจสมประบาทอย่างไรครับ อันนี้ไม่รู้ลองไปปล่อดค้นหา Google เกิลดูแล้วกันค้นได้เนี่ยมีคำตอบอยู่ใน google นะคุณนัทครับการอุทิศบุญกุศลให้กับคนที่ยังมีชีวิตยอยู่ได้ไหมครับมันได้น้อยอซึ่งเอาเอาเงินที่เราจะทําบุญนี้ไปให้เขามันจะได้มากกว่าก็าจะได้เต็มร้อยเวลาอุทิศบุญให้กับคนตายนี่เราอุทิศได้แค่เพีงเสี้ยวเดียวเท่านั้นไม่ได้อุทิศได้ทั้งหมด เป็นสคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็เอาเงินไปให้เขาไปเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเงินเนี่ยเอเงินทําให้เขามีความสุขใจขึ้นมาใช่ไหมเวลาใครเอาเงินมาให้คุณหมอมันสุขใจและทุกข์ใจที่กําลังเครียดว่าเงินไม่ทองไม่พอใช้อยู่เนี่ยจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนแล้วก็มีคนเอาเงินมาให้อันนั้นแหละถ้าจะทํา บ, บุญกับคนเป็นต้องทําแบบเอาเงินไปให้เขาเอาเข้าวของไปให้เขาแต่เราไม่สามารถเอาเงินเอาเข้าวของให้คนตายไปได้เราก็ต้องทํา เอาบุญจบไว้ให้เขาแทนนั่นเองคุณการครับขอสอบอารมณ์ในการทํากรรมฐานนั่งแล้วจิตมันไม่คิดมันไม่ส่งออกนอกมันสงบมันคือจิตตั้งมัน่นหรือมันแค่จิตสงบครับมันก็เหมือนกันจิตสงบก็คือจิตตั้งมัน่นจิตไม่คิดปรุงแต่งจิตเป็นอุเบกขาสัตดิ์นว่าเราไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลอนะฮะหรือว่าจิตสงบจิตตั้งมัน่น คุณอมแอมครับตอนนั่งสมาธิให้ดูลมหายใจหรือร่างกายหายใจครับอดูลมดูลมดูที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องควบคุมบังคับลมให้ดูเฉยๆเหมือนเราดูฟุตบอลเนี้ยดูเขาเตะไปทางนี้ดูเขาเตะมาทางนั้นดูไปดูมาไม่ต้องไปทําอะไรอย่าไปมีภาพวิจารณ์อย่าไปเกิดมีอารมณ์ต่างๆกับสิ่งที่เา ดูให้รู้เฉยๆไปคุณสิริชัยครับรู้ว่าจิตไปคิดพอสติเกิดแล้วออกทางปัญญาบ่อยๆว่าเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์บ่อยๆเพื่อหยุดความอยากต่างๆอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือมันอยู่ที่ว่าเรากําลังปฏิบัติเพื่ออะไรไถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้ใจจิตหยุดคิดให้นิ่งสงบแล้วก็ไม่ไปทําปัญญาไม่คิดทางปัญญาแล้วว่ากลับมาดูลมเลือมา มีสติอยู่กับพุโทโธเพราะไม่ให้มันคิดท่านันเองเพราะจิตจะได้รวมเป็นสมาธิได้แต่ถ้าจะเรนทางปัญญาเราก็เราก็จะไม่ดูเราก็จะพิจารณาทุกอย่างเป็นตายรักไปหมดคุณป๊อบอายครับมีพ่อแม่เป็นเจ้ากรรมนายเวร ล, ลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ใช้เวนไปเลยใช้เวนใช้กรรมไป ถ้าหมดเว้นใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็หมดเว้นก็คือปล่อยให้เขาทำเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปเป็นการใช้เว้ใช้กรรมเพรามคคลานะก็ยอมตายเขาอยากจะฆ่าก็ปล่อยเขาฆ่าไปพอฆ่าแล้วมันก็หมดเว้นหมดกรรมกันไปคุณนาตยาครับเราควรภาวนาในที่จะให้พัฒนาก้าวหน้านั้นควรปฏิบัติมากน้อยเพียงใดในฐานะที่เรามีหน้าที่ทางโลกเนื่องจากมีหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ขอความไม่ตาครับก็อยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยเนี่ยเหมือนทำงานมากทํางานน้อยใช่ไหมถ้าเราทํางานน้อยทางานเงินเดือนก็น้อยใช่ไหมถ้าทํางานมากเงินเดือนมันก็มากมันก็อยู่ที่การอินพุตว่าอินพุตเท่าไหร่เอาพุตมันก็จะเป็นไปตามอินพุตอินพุตน้อย output มันก็น้อยผลมันก็น้อยเหตุมันน้อยผลก็ต้องน้อย คุณแพท์ครับการที่เราจะเปิดร้านใหม่ต้องดูเลิกดูยามดูวันดีไหมครับก็ดูดูว่ามันเป็นเวลาที่ครเปิดได้หลยอไมถ้าเป็นช่วงโควิดก็ไม่ควรไปเปิดมันมันต้องดูดูด้วยเหตุผลไม่ใช่ดูด้วยดวงดาวหรือดูด้วยอะไรทานองนั้นให้ดูด้วยเขาเรียกเลิกสะดวกนมันสะดวกมันทุกอย่าง เ, าเรียบร้อยเป็น พร้อมที่จะเปิดแล้วก็คนที่จะมาใช้บริการก็รอกันอยู่เป็นแถวอนี้เขาเปิดเลยไม่ใช่ไปเปิดตอนที่ไม่มีใครมารอไม่มีใครอยากจะเข้าร้านเปิดไปมันก็เจนนะนี่ก็ต้องดูการตลาดนี้ต้องศึกษาเรื่องของการตลาดถึงจะไม่ใช่ไปดูเลือกยามแต่อย่างใดคนที่เขาจะเปิดร้านนี้ก็ต้องทาําก็เรียก feasibility study ก่อนใช่ไหมต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนว่าเปิดที่ตรงนี้แล้วจะขายดีไหม ต้องดูจำนวนคนที่เดินผ่านทถงนี้ว่ามีกี่คนอะไรเป็นต้นเนี่ยมันต้องมันเป็นทางวิทยาศาสตร์มากกว่าถ้าจะดูนะอย่าไปดูทางสัยาศาสตร์เลยสัญาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องความจริงความจริงคนะือวิทยาศาสตร์ ค, รคุณสีลิชัยครับ นอกจากนั่งสมาธิเพื่อหาความสงบภายในจิตใจแล้วในอิริยาบทอื่นคือตามดูรู้การกระทําในชีวิตประจําวันให้ต่อเนื่องให้มีสติบ่อยๆอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องเพราะถ้าเราไม่มีสติเวลาเรานั่งสมาธิจิตจะไม่สงบจิตก็จะฟุ้งไปเรื่อยๆต้องคอยควบคุมความคิดในทุกิริยาบทให้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าปล่อยให้มันคิดคุณสุดารัตน์บอกว่าเป็นมะเร็งกลามไปเยอะ ท้องอืดขาหลังเท้าบวมทรมานมีวิธีช่วยได้บ้างไหมครับได้เรามองว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามสภาพของมันแต่ใจเราอย่าไปทุกกับมันได้อยู่อย่าไปอย่าไปหฮวงไม่อย่าไปห่ว ง, อ ย, วงอย่าไปอยากให้มันหาย บ่อรักษาให้เต็มที่ทําให้เต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็ได้ทํานั้นให้ยินดีเท่านั้นคุณสันวัลต์ครับสวดมนต์และแผ่เมตตาโดยที่ไม่ได้ทําบุญอื่นได้บุญไหมครับสวดมนต์ก็จะได้บุญที่เกิดจากการมีสติแต่ยังไม่ได้เกี่ยวกับความสมบงบอาจจะได้ความสงบบ้างแต่ไม่สงบแบบสมาธิการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกสติเป็นการกำลังสติ ส่วนการแผ่เมตตาที่ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการนั่งสวดน้องเวลาพบปากกันแล้วก็เอามันให้เขาเงี้ยเราแผ่เมตตาเห็นเขาเราสงสารเขาอยากย้ายก็มีความสุขก็เลยอ่ะเอาเงินนี้ไปเที่ยวหรือไปซื้อขนมอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยถึงจะได้บุญต้องเกิดจากการกระทําคุณวีรวัตรครับ อาณาปานาสติอย่างเดียวไม่ต้องทํำวิปัสสนาก็สําเร็จเพราะอาณาปานาสติเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาจริงไหมครับจริงแต่มันไม่ ม, ไ ม, มันไม่สําเร็จหรอกเพราะมันมันเป็นแค่เรื่องของร่างกายเท่านั้นเองลมเข้าก็ออกเช่นลมเข้าก็ไม่ออกก็ตายลออกแล้วไม่เข้าก็ตายอันนี้ก็เป็นพิจารณาความตายของร่างกายแต่มันยังมีเรื่องอื่นที่ต้องพิจารณาอเวทนาอนาย่างนี้เป็นพิจารณา เรื่องของจิตยังไม่พิจารณามันยังยังไม่บรู้หมดมันรู้ได้แค่ขั้นขั้นของร่างกายขั้นเดียวแล้วยังไม่ครบบริบูรณ์ด้วยเรื่องของร่างกายยังมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยคุณกิกส์ครับทำบุญแล้วถ้าไม่ได้กรวดน้ำจะได้รับอานิสง์แห่งบุญนั้นไหมครับได้ได้อนิสง์จากการทำบุญแต่ยังไม่ได้บุญที่ได้จากการกวดน้ำอันนั้นเป็นบุญขั้นที่สอง คุณสมบูรณ์ครับเวลาทําบุญให้กับคนตายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนตายได้รับแล้วครับไม่รู้หรอกถ้าเราไม่มีอภิญยาถ้าเราไม่มีญาณอย่างทราบเราจะไม่สามารถรู้ได้คุณก้าเดินครับต้องวางใจอย่างไรกับคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไ ป, ไปแล้วกันจบแล้วเงินที่เราไปทําบุญเราก็จะมีความสุขใจว่าเเราได้ทําบุญ เราคิดาเป็นการทําบุญไปกันแล้วกันจะได้ไม่เสียใจยจะได้มีความสุขใจทําบุญแบบไฟบังคับเ น, น่ยบนงทีไม่อยากธรรมดาไม่ชอบทําพอาะที่ถูกไฟบังคับมาบังคับไปทําก็ต้องทำํำไปเหมือนนั่งมวยบางทีต้องป้องกอันตำแหน่งไม่อยากจะต่อยแต่ถึงเวลาเขาต้องบังคับให้ต่อยเพื่อรักษาตําแหน่งไว้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าถูกขโวยเงิน ไ, ไปก็ถือว่าถูกบังคับให้ทําบุญก็แล้วกันก็ทําไปก็คิดว่ามีการทําบุญไป ใจก็จะสบายหรือเป็นการใช้หนี้เก่าก็ได้เพราคิดว่าชาติก่อนแล้วอาจจะไม่เคยเขโมยเงินเข้ามาก่อนชานี้เขาก็เลยมาของเงินคืนคุณอนัญญาครับทําไมเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดไปสามครั้งก็ได้พักกุฏิเดิมตลอดทั้งที่มีหลายกุฏิทางเดินจงกรมก็ทางเดิมครับก็เป็นทางคนที่เขาจัดที่พักให้เราครับ คุณอัญชลีครับจากคําถามแรกบอกว่าอยากให้สามีผู้ที่เพิ่งตายไปมีพระลัตตน์ไตรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกาะนําทางเข้าไปตอนเริ่มออกเดินทางไปโลกใหม่ดิฉันพอสามารถทําอะไรได้บ้างไหมครับไม่ได้เลยคนตายไปแล้วต้องทำตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะแล้วไม่ใช่ว่าตอนนี้ก็เป็นแล้วก็จะทําทตามที่เราบอกนะถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่ทำํำเราก็ทําอะไรไม่ได้ดังั้นอย่าไปกังวลเลยนี่คนตายไปแล้วนี่ ไม่เราไม่มีส่วนนี้ไปทําอะไรให้เขาได้แล้วอยู่ที่ดูคนเป็นดีกว่าอย่างตัวเรานี่เราบังคับตั ว, วเราให้ทำํำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือเปล่าสิ่งที่ดีจะไม่บวชชีนี่เราทําได้หรือเลถ้าเรายังบังคับตัวเราเองไม่ได้เราจะไปบังคับคนอื่นได้อย่างไรคุณบัวลอยครับการภาวนาพุโทโธขณะดําเนินชีวิตประจําวันอยู่ให้ทําอย่างไรให้จดจ่อคําว่าพุโทโธหรือเอาจิตอยู่กับกิจกรรมที่เราทําในขณะนั้นครับ ก็ทั้งสองอย่างแล้วต้องดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่แล้วถ้าใจเราไปคิดเรื่องหนึ่งแล้วก็หึงกลับมาด้วยพุโทโธพุโทโธให้มันมาอยู่กับกิจรกรรมที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราไม่อยู่กิกจรกรรมเีราก็ทําผิดทําถูกใช่หไหมครับงนั้นโดยหลักแล้วเราต้องดูอยู่ที่กิจกรรมแต่ส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้อยู่ที่กิจรกรรมทําไปบางทีเราก็ไปคิดถึงเรื่องนี้นเรื่องนี้ตอนนั้นนะเราต้องใช้พุโทโธหนึ่งให้มันกลับมาอยู่ที่กิจกรรมที่เรากำลังทําอยู่ คุณชวนครับทำไมบางคนถึงคิดว่าการถวายเงินให้วัดมากๆจะได้บุญมากกว่าคนที่ทำน้อยครับมันจริงไหมครับจริงก็ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเหมือนกินข้าวกินน้อยก็อิ่มน้อย ก, กินมากก็อิ่มมากการทำบุญก็เป็นการให้อาหารกับใจคุณคุณนาครับ การทำทานหรือให้เงินคนที่มาขอความช่วยเหลือบ่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่เขาสามารถทำงานหาเงินเองได้แล้วก็ต้องดูว่าคนรจะให้เขาไหมหรือไม่ควรถ้าเขาเพ่งช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือเขาไปก่อนแต่ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเขาเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องช่วยเขาต่อไปคุณพี่นกครับเข้าใจว่าการพัดผ้าเป็นธรรมดา แต่ใจก็ยังไม่คลายเศร้าครับยังนึกถึงอยู่ทุกวันทำอย่างไรครับต้องคิดบ่อยๆคิดเรืนเน่อยๆยิ่งคิดมากๆครับมันก็จะแล้วมันก็จะค่อยๆยอมรับความจริงเข้าไปต่อมามันก็จะไม่เศร้าคุณเคยฟังธรรมว่าแต่ละคนจะมีนิสัยเก่านิสัยเดิมติดมาทั้งดีและไม่ดีแบบนี้แล้วนิสัยแบบไม่ดีจะเปลี่ยนแก้ไขได้หรือไม่ครับมีอุบายอย่างไรครับ ได้ได้ทั้งสองอย่างนิสัยดีอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นนิสัยไม่ดีก็ได้ส่วนหนึ่งก็อยู่กับบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเชน่นเราเป็นมีคนเป็นนิสัยดีไม่รักขโมยแต่เราไปอยู่กับพวกโจรก็เขาก็ชวนเราไปไ ป, ไ ป, ไปมาๆเราก็เลยอาจจะไปทาําตามที่เขาทำเขาได้ส่วนถ้าเราเคยเป็นโจรแล้วเราไปอยู่กับคนดีไปอยู่วัดนี้ไม่มีการขโมยแล้วก็จะเปลี่ยนนิสัยได้เหมือนกัน เพราะฉนั้นนิสัยเปลี่ยนได้อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่จิตสํำนึกของเราถ้าเราได้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหรือว่าถ้าเราไม่รู้แต่เราไปอยู่กับคนถ้ามีอยู่คนดีเขาก็จะเขาก็จะสอนเรื่องนิสัยดีหนึ่งให้เราไปทําในสิ่งที่ดีถ้าเราไปอยู่กับคนไม่ดีเขาก็จะหนึ่งเราไปในทางที่ไม่ดี พรา้มันก็มีนิสยัยไม่เปลี่ยนได้แต่จ ะ, จะยากจะง่ายก็อยู่ที่ว่ามันฝังลึกมั้ยไม่ลึกถ้าฝังลึกก็เรียกว่าสันดานยากหน่อยนิสัยนี้ยังไม่ลึกเท่ากับสันดานคุณป้าเจ๊ครับลูกชายเป็นคนดีมีความกตันอยู่ไม่เคยเอาเปรียบเปรียบเบียนใครบวชเนรแล้วบวชพระแล้วช่วยชีดแมวแต่ทําไมอายุสั้นอายุสามสิบห้าปีถูกคนเมาชนตายครับ ไปอย่างที่บอกร่างกายมันอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังมันไม่ได้ที่เรื่องของมูลกรรมอย่างเดียวอมันอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่งส่วนวิสัยมันก็ตายได้คุณอู๊ดครับเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ได้เลี้ยงบูชาพระภูมิเจ้าที่เราต้องถวายอาหารท่านด้วยไหมครับคนเหลานี้ไม่ต้องถวายอาหารเพราะเขากินไม่ได้นะ วิธีบูชาพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนเจ้าภูมิเจ้าที่นี้เขาไม่ต้องการอาหารอะไรเพราะเขาเป็นเป็นกายทิพย์แล้วก็เพียงแต่ให้ความเคารพเชินรับบูชาด้วยอามิสบูชาก็คือดอกไม้ทุกเทียนใบก็พอแต่คุณสอนสมอนอ๋อนี่ไม่ใช่ครับอาร มีคุณทีละบอกว่าผมอยากเห็นทุกครับพระอาจารย์อไม่ยากเลยลองไปติดคุกดูเลยขอนอนในคุกสักสักคืนหนึ่งเดือแล้วไปอยู่ในคุกสักอาทิตย์หนึ่งเดือคุณกมลรัตน์ครับ <c oughs> ลูกได้รับฟังพระอาจารย์แนะนำไปปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนกเกษียณอายุราชการระยะหลังนี้ไม่มีสมาธิเลยปกติปริจาคสภากาชาดและโรงพยาบาลส่งทุกเดือนนะครับ ที่ไม่มีสมาธิเพราะไม่มีสติไม่ฝึกส ต, ส, ตสติไม่เจริญสติให้นั่งพยายามเจริญสติบ่อยๆแล้วสมาธิก็จะมีตามมาต่อไปคุณแอลีนครับเราสามารถใช้วิธีใดเพื่อลดความเพื่อลดความคลายเศร้าหมองทางจิตใจเวลานึกถึงพ่อแม่ที่เพิ่งเสียไปได้อย่างไรบ้างครับพยายามอย่าไปนึกถึงมันให้พยายามหยุดความคิด เรื่องราวเหล่เนี่ยด้วยการสวดมนต์ด้วยการฝึกสมาธิหยุดความคิดพอจิตสงบความเศร้าก็จะหายไปคุณพมเม่ครับวัดแถวบ้านไม่มีพระวัดป่าที่เผยแผ่หัวใจของพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เน้นสร้างวัดสร้างโบสถ์ทำบุญเรื่อปัจจัยจบแค่นี้ครับก็ยอย่างว่านะวัดที่ก็มีหลายรูปแบบวัดที่เป็นวัดพัฒนา ซึ่งบางคนนี่ก็ชอบพัฒนาเขาก็ชมเชยวัดนี้ดี พ, พัฒนานู่นพัฒนานี้ก็มจะจะไม่ชอบวัดป่าเพราะวัดป่านี่ไม่ค่อยมีถาวรวัตถื อ, อะไรให้ให้ก็ได้ชมเชยมันก็อยู่ที่คนบางทีพระที่ถ้านเป็นนักวัดพัฒนาท่านก็ได้ยินไดน้ได้ยินคําชมเชยว่าโอ้เป็นนักพัฒนาดีเหลือเกินท่านก็เลยมุ่งเน้นไปทางพัฒนาวัดกันนะแล้วแต่แล้วแต่ละคนคนชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้น คนที่ชอบปฏิบัติเขาก็จะไปแบบวัดป่านคนที่ชอบพัฒน า, าก็จะไปแบบวัดบ้านคุณสุดารัตน์ครับการที่ไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวตลอดแฟนก็ไม่สนใจหนูเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าครับไม่ดีตรงไหนนะเราไม่ได้ไปทําบาปถ้าเราไปทําบาปถึงไม่ดีการที่ไม่มีแฟนเนี่ยถือว่าเราเป็นคนมีจิตที่สงบมีจิตที่เบาบางในเรื่องกิเลสตัณหานั้นเอง น, นี่ไม่มีค น, นกเลสนอ น, น, นี่จะไม่ค่ชอบที่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับใครเพราะอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าคุณหน่อยครับตอนเรียนต้องฆ่าสัตว์ทดลองบาปไหมครับบาปคุณจันยาครับเวลาที่เราคิดมากเราเครียดควรทาอย่างไรครับหยุดคิดเนี่ยต้องพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปดูลมหายใจเข้าออกไป อหยุดความคิดได้ความเพีรก็จะหายไปคุณสุธารัตน์บอกว่าได้ฟังธรรมะเกิดปิติใจทุกครั้งฟังแล้วชอบนอนหลับทุกทีเลยครับก็ดีพอ่าธรรมะทำให้ใจสงบนอนหลับง่ายที่นอนไม่หลับกันเพราะใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้เรื่องนี้ก็เลยนอนไม่หลับคุณสันวรรัตครับ การนักวิชการอยากถามว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นมะเร็งแล้วทรมานมาหลายปีพอพาหาหมอครั้งที่สองหมอบอกว่าจะปล่อยให้เขาตายไหมเพราะสุนัขอายุมากแล้วด้วยและมีแผลเปิดที่ท้องถ้าตกลงหมอจะฉีดอีกเข็มก็จะปลดปล่อยเขาแฟนบอกตกลงแต่หนูอยู่บ้านแฟนกลับมาคนเดียวโดยที่ไม่มีสุนัข ก, กลับมาด้วยจะถือว่าเราบาปไหมครับก็ อ, อยู่ที่ว่าเรามีส่วนในการที่ทําให้เขาตายหรือเปล่า ถ้าไม่สวยก็บาปถ้าไ ม, ม่สวยก็ไม่บาปคุณพีเอ็นครับเวลาปฏิบัติแล้วเกิดเวทนาเช่นเน็บชาเราขยับตัวได้ไหมครับหรือว่าควรอดทนกำหนดต่อไปครับถ้าเราอยากจะผ่านเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันชาไปแล้วต่อไปเราจะได้ไม่มีปัญหาเกี่วกับความเน็บชาเรื่องความเจ็บป่วยของร่างกาย ถ้าเราต้องขยับก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านเรายังกลัวความเจ็บเรายังไม่อยากเจ็บตัวครั้งที่เจ็บแล้วก็จะขยับหนีความเจ็บไปแล้วก็ถ้าหนีไปอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราหนีไม่ได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์มากใชเวลาที่เจ็บไข้ได้ปวดแล้วทํายังไงก็ไม่หายทําให้ความเจ็บไม่หายไปดังนั้นเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราฝึกให้หัดอยู่กับความเจ็บได้เราก็จะไม่ทุกข์คุณยีครับ ร้านอาหารทะเลที่เราไปกินทางร้านจักค่าต่อเมื่อลูกค้าสั่งอาหารหากเราไปกินเราสั่งเมนูอาหารไปร้านก็ต้องไปค่ากุ้งหอยปูปลามาทําอาหารให้เราแบบนี้แล้วบาปไหมครับถ้าสั่งก็บาปถ้าไม่อยากจะบาปก็สั่งผัดผัดผักซิไม่ยากเลยผัดผักก็กินได้เลยไข่เจียวก็ได้ คุณชวนครับคุณพ่อบอกว่าให้เลือกทําบุญกับคนที่มีศีลเท่านั้นถึงจะได้บุญอย่างนี้จริงไหมครับคือไม่จริงรอะบุญทำกับคนที่บาปได้ทากับนักโทษก็ได้ทาอันนี้มันเป็นเรื่องของการให้ไม่เกี่ยวผู้รับผู้รับจะเป็นใครก็ไม่สําคัญแต่ถ้าถามว่าควรจะทําทกับคนที่ไม่ดีหรือไม่ก็ดูที่ว่า ถ้าทำแล้วเป็นการสนับสนุนให้เขาไปทําไม่ดีต่อก็ไม่ควรที่จะทำแต่ถ้าทำเพื่อสงเคราะห์เขาเช่นเขาจะตายอย่างเงี้ยเขาไม่มีข้าวกินอั่นี้เราทำเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อให้เขาไม่ตายอยันนี้ก็ถือว่าไม่กม็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะมันเป็ น, นเป็นเรื่องของมนุษยธรรมคุณสวรรครัตน์ครับมีคนเคยทักว่าเคยไปบ่นอะไรไว้แล้วไม่ไปแก้ แต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกก็เลยติดใจอยู่ทุกวันนี้อยากถามว่าจะต้องทํำยังไงครับไปบนครับก็ไม่รู้แหละคุณไปบนแล้วคุณจำไม่ได้เราจะทํายังไงมันต้องทําใจนะคุณนกครับพยายามแผ่เมตตาให้กับคนที่ทําไม่ดีกับเราแต่ก็ยังอภัยให้ไม่ได้ยังโกรธอยู่ต้องทํำยังไงครับเราแผ่ไม่ถูกแล้วเอาของไปให้เขาไม่ที่แผ่เมตตาให้กับเขา เช่แล้วเอาพานดอกไม้ทูบเทียนไปแล้วใส่เงินไปสักแสนหนึ่งนีแล้วโผก็เขามาลาโทษก็เห็นเงินพอเห็นดอกไม้ทูบเทียนก็เออเดีโอเคใช้ได้แต่ถ้าเป็นแผนด้วยการสวดคนเดียวเนี่ยเขาไม่เขาไม่เขาเขารับเขาไม่รู้ว่าเราแผนเราต้องแผนด้วยการกระทําชดใช้ความเสียหายที่เราไปทํากับเขาพอ ถ้า <Okay. S 1> เขาได้รับการช่วยใช้อย่างที่เขาพอใจเขาก็จะเลิกเขาก็จะไม่มี เ, เขาก็ไม่จองเวรจองกรรมขเราต่อไปครับน่าจะรักเราเลยนะครับอาจารย์ให้บริษัทใช่ใชคุณแบมครับบอกว่าโดนคุณใสกระทําทางจิตควรรับมืออย่างไรดีครับทางจิตเราไม่ถือว่ามีเนี่ยมเป็นเรื่องศัยศาสตร์เป็นเรื่องความเชื่อ ถ้าจิตมันคงจิตนิ่งเฉยๆก็ไม่มีต้องทําอะไรให้ให้เพราะเราจะมองว่าเป็นเรื่องของกรรมไปถ้ามีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับเราก็เรื่องว่าเป็นวิบากกรรมของเราไปถ้าเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญอของเราไปเราจะมองแต่เรื่องบุญเรื่องบาปอย่างเดียวคุณชัญญลักษณ์ครับสามีหนีไปอยู่กับชู้ตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้อยากกับเขาเราผิดศีลข้อสามไหมครับ ทางพุตินนยก็คงไม่ผิดแล้วนะ่ะเพราะถือว่าเขาไม่ได้เป็นสามีกับเราแล้วนะเขาไปอยู่คนอื่นนะแต่ทางทางนิตินัยมันก็ยั ง, ย, งยังอาจจะผิดอยู่เพราะมันยังไม่ได้ไปรหยัให้มันถูกต้องตามกฎหมายคุณบัวลอยครับขอคาแนะนำหนังสือเล่มแรกสำหรับการเริ่มศึกษาปฏิบัติหาความรู้ด้วยครับมันบรอยาสบอกว่าอย่างไรมันหนังสือมันมีเยอะแยะไปหมด ไปอยู่ที่ว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็ค้นหาหนังสือหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าเราอยากจะเรียนภาวานาแล้วก็เสิร์ชดูในคูปก็ได้หนังสือที่เกี่ยวกับภาวานาเดีย๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมา้เราเลือกเองถ้าอยากจะเรียนหนังสือเกี่ยวกับการทําบุญทำทานก็เขียนเข้าไปไมันก็จะมีหนังสือต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เราไปหาอ่านได้คุณจอยครับอาหารที่เราถวายพระแล้วบรรพบุพ ร, บรุษจะได้รับ ไหมครับอาหารที่เราตั้งใจทาครับอาาเขาไม่ได้รับหรอกแต่เขาจะได้บุญที่เราได้จากการถวายอาหารนี้ไปซึ่งก็เป็นเหมือนกันเพราะกินอาหารมันก็อิ่มกับความสุขใจขึ้นมาแต่เขากินอาหารไม่ได้เพราะก็เป็นดวงวิญญาณเราก็เลยต้องส่งความสุขใจอิ่มใจไปให้เขาแทนคุณกุณละนันครับ การให้เงินช่วยเหลือคนที่ลําบากบ่อยมากจนรู้สึกว่าไม่อยากช่วยเพราะเขาใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ถือว่าเป็นการปล่อยวางได้ไหมครับก็มันจะเป็นเรื่องของการควรไม่ควรถ้าช่วยเหลือเขาแล้วทำให้เขาไม่พึ่งตัวเขาเองเพราะน้งที่เขาพึ่งตัวเขเองได้ก็ไม่ควรที่จะช่วยเหลือควรจะช่วยเหลือคนที่เขาพึ่งตัวเองไม่ได้ คุณลุงทิครับอยากจะหายป่วยต้องสวดมนต์บทไหนครับไปหาหมอเลไปหาหมอเรายังนยกไปหาหมอเลย <c oughs> มัวนก่อนก็ไปหาหมอฟันจุดติดยาไปตามันก็ไม่หายมันยังไม่เสร็จนะยังยังไม่ไไ <ป S 1> ครอบเลยฝังล่างมาหลายเดือนแล้วอดีมันต้องไปไปปลูกกระดูกไปปลูกกระดูกด้วยมาาันจะช้าต้องเสียเวลารอให้กระดูกมันมันดีก่อน<ช>ครับครับ นายกองสองสามประทีของคงจะได้ไปทำทาพิมพแล้วทาพิมฟันก่อนแล้วค่อยไปใส่ครอบอีกทีหนึง่งอันนี้รอบสองแล้วใช่ไหมครับอาจารย์คราว น, นี้ก็ไปเอาอะไรออกไม่ทราบเพื่อนทีแล้วเอาเอาเอาเอาครอบใส่เข้าไปอีกทีหนึง่ง ค, คุณสวัสดีครับ ผมตั้งใ จ, จเจริญสติช่วงเวลาหนึ่งแล้วช่วงเวลาอื่นก็ใช้ชีวิตแบบทั่วไปจมอยู่กับเกมโซเชียลเอาแต่ความสุขสนุกอย่างเดียวถือว่าการจเจริญสติโมคะหรือหลอกตัวเองช่วงหนึ่งจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีครับถ้าจ ะ, จะเจริญสติมันจเจริญทั้งวันไม่ใช่ยาวแค่แบางช่วงนั่นเองพอไม่จเจริญสติมันก็มั น, มนก็เหมือนคนไม่มีสติอะ คุณสันวัลสันวัลต์ครับอยู่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับพยายามสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลจะได้บุญไหมครับพยายามนั่งสมาธิด้วยแต่นั่งได้แป๊บเดียวเพราะจิตใจไม่สงบครับคือบุญก็ถ้าเกิดการสวดมนต์ได้ใจสงบ ก, ก็ได้บุญในความสุขใจมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการอุทิศส่วนกุศลนี้เราต้องอุทิศด้วยการทําบุญทําทานไม่ได้อุทิศด้วยการสวดมนต์ คุณแดงดวงครับเวลานั่งสมาธิพอนั่งไปลมหายใจไม่มีพุทโธหายไปมีแต่ความนิ่งและ ว, ว่างเปล่าหลังจากนี้ต้องทำอย่างไรครับก็ให้รู้เฉยๆไปให้มันนิ่งไปนานๆไม่ต้องทำอะไรไม่สัแ่แนะว่ารู้ไปคุณจุไรรัตครับการทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของผู้ล่วงลับไปแล้วได้บุญแตกต่างหรือเท่ากันกับใส่บาทประจาวันครับ ได้เท่ากันะขึ้นอยู่ที่การเสียสละว่าเราเราทํามากทําน้อยไม่ได้อยู่ที่เหตุว่าเราทำเพราะเหตุใดอยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยถ้าทําเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันคุณมิลาโมุครับไม่ใส่บาตรเช้าแต่ชอบฝึกอาณาปานาสติบ่อยๆผลของบุญนี้ได้รับเหมือนกันไหมครับคนราอย่างกัน บุญที่เกิดจากการให้ทานใจบาสนี่เป็นทานระดับทานบุญที่เกิดจากการเจริญสติมันก็เป็นบุญระดับภาวนาแต่ามันยังไม่เกิดเพราะกําลังอยู่ในขั้นตอนของการเจริญอยู่เรียกว่าขั้นักยังไม่ได้ผลถ้าจิตนวนสงบนิ่งเป็นสำอาัภนาสมาธิถึงจะได้ผลถึงจะได้บุญได้ความสุขใจด็ อ, อร์ธินกรครับ แดนพุทธกเกษตรหรือวิสุทธิภูมิมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงจะอยู่ที่ใดและมีท่านใดที่อยู่ในภพภูมินี้บ้างไหมครับมันเป็นคําแทนพระ น, นิพพานเป็นคำแทนของจิตที่บ่อยสุทธิ์ได้มีคําถามบอกว่ากรณีที่พ่อล่วงละเมิดร่างกายลูกถ้าลูกโกรธพ่อพูดไม่ดีกับพ่อลูกบาปไหมครับถ้าพูดไม่ดีก็ยังไม่บาปนะแต่ถ้าไปทําร้ายท่านก็นอย่างบาปอยู่ ถาไปค่าท่านแล้วไปทาร้ายร่างกายท่านนี้ ก, ก็ถือเป็นการกระทำบาปคุณรัชดาครับการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องทำอย่างไรบ้างครับจึงจะถือได้ว่าตอบแทนสูงสุดครับโคจะาบอกว่าทาให้พ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธานในพระราตนาตาัยให้เกิดศรัทธาขึ้นมาให้ได้ทำให้พ่อแม่ที่ไม่เคยทำบุญทำทานให้ท่านทาทานให้ได้ ท่านไม่เคยรักษาศีลก็ทําให้ท่านรักษาศีลได้ท่านพไม่ได้ภาวนาก็ทําให้ท่านภาวนาให้ได้ท่านไม่ได้บรรลุธรรมก็ทําให้ท่านบรรลุธรรมให้ได้อันนี้เราเป็นวิธีตอบทาบุญคุณ ท, ที่สูงสุดอย่างพระเจา ก, ก็ทำให้มารดาบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาคุณวีนัสถามว่าทําหมันสัตว์บาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการค่าไม่ได้เป็นการทำร้าย คุณอำพรครับควรทำบุญอะไรก่อนระหว่างทำบุญถวายอาหารเนบวกภาคฤดร้ อ, อนกับช่วยเป็นปัจจัยกับผู้ยากลำบากขัดสนแต่ชูบชอบพูดจาสอดเสียคนอื่นครับพราแล้วแต่เราจะเลือกทำอแล้วแต่ทำกับใครก็ได้เราก็ได้บุญเหมือนกันคุณวรกรมลครับบอกว่าในบ้านมีวิญญาณมีสัมภเวสีมาต้องทำบุญให้เขาหรือเปล่าครับ รู้ได้งไงว่ามีวิญญาณมันอาจจะเป็นแค่มนษของเราก็ได้อาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะคนที่จะเห็นวิญญาณเห็นธรมมวิสีได้ต้องมีกับเพียร์ต้องมีญาณอย่างทราบคุณนัทธาครับบุป ก, ปการีติดสุราต้องดื่มตลอดห้ามไม่ได้ไม่กินอาหารจนต้องยอมตามใจตั้งใจอยากดูแลวาระสุดท้ายให้ดีที่สุดควรทาอย่างไรครับก็ทําตามใจเขาเลย ทำ ต, ตามให้เขามีความสุขบอกว่าลูกดื้อไม่เชื่อฟังเราต้องทำอย่างไรครับก็สอนไปเรื่อยๆสอนบรอย่างกลางเรื่งสว่าสอนไม่ได้ก็หยุดสอนคุณแม่เปิลครับลูกสาว23ปีเพิ่งเสียชีวิตแม่ยังทำใจไม่ได้ร้องไห้ทุกวันช่วยแนะนาด้วยครับ ก็ปล่อยให้ร้องไห้ไปเอยากจะทําไงมันก็อยากจะร้องไห้ก็ร้องอยเขาร้องไปเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุดเองเวลามันย่อมรักษาแผลใจนะทุกคนต้องใช้เวลาเท่านี้คุณสั้นกลิ่นครับนั่งสมาธิทําไมจิตถึงไม่นิ่งครับเพราะไม่มีสติไม่มีสติคอยควบคุมครับคิดปล่อยให้คิดมันก็จะไม่นิ่งต้องหยุดความคิดให้ได้ คุณ CST ครับมีเรื่องรักควรมีแผนที่จะไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดแต่ไปตามปะ่าเข้าตั้งใจจะไปทำความเพียรโดยการปรี่วิเวกคนเดียวน้อมจิตกาบพระอาจารย์มีคำแนะนำสั่งสอนไหมครับถ้าเราไม่กลัวอะไรเราเราไปอยู่ที่ปิวแรกก็ดีเพราะที่สมบวิเวกมันจะช่วยให้การภาวนานี้เป็นไปได้ง่ายกว่า ไปอยู่ที่ที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆรอกตัวคุณเอมครับไม่ได้ไปทําบุญเลยสวดมนต์อยู่ที่บ้านแทนได้บุญไหมครับก็บุญคนละอย่างถ้าไปทําบุญทำทานก็ได้บุญที่กิดจากการทําทานถ้าสวดมนต์ก็ได้บุญที่กิดจากาาาา ก, ก, จาการสวดมนต์มันเป็นคนละบุญคนละอย่างเป็นคุณสศสิทธรครับ การกรวดน้ำมีกรวดแบบไม่มีน้ำมีคนบอกว่าถ้ากรวดแบบไม่มีน้ำบางสิ่งบางอย่างจะรับส่วนบุญไม่ได้ต้องกรวดแบบมีน้ำถึงได้รับผลอันนี้จริงไหมครับไม่จริงหรอกการให้บุตรบุญก็คือการาระลึก อ, อยู่ภายในจิตเรานี่เองขอให้บุตรส่วนบุญนี้นะครับผู้นั้นผู้นี้ก็เสร็จ้วจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำมันก็ไม่เกี่ยวกันคุณสมพรครับบอกว่าเคยบริจาคเลือดหลายครั้งได้บุญไหมครับได้ ก็เลื่อกนก็เป็นเหมือนเหมือนกับเป็นทรัพสินอย่างหนึ่งของเราถ้าลอยจากไปคุณเพิ่มศักดิ์ครับการฝึกสติในชีวิตประจําวันทําอย่างไรการฝึกรู้อิรยาบทที่ทําหรือจิตที่คิดในเรื่องต่างๆเป็นการฝึกสติหรือไม่ครับก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายโดยที่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเขาเรียกว่าเป็นการเจริญสติ คุณแอร์ไอรินครับถ้าเราเลือกถอดท่อช่วยหายใจให้ญาติที่สื่อสารไม่ได้เพื่อให้ท่านจากไปอย่างสงบไม่ยุ้ชีวิตอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปเป็นการยุติการดูแลรักษาเลงดูคุณพันลบครับตอนต้นปีมีมอเตอร์ไซค์ขับมาตัดหน้ารถของเราแบบประชันชิดรถก็ชนทำให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุผลทางด้านกฎหมายเราเป็นฝ่ายถูก อยากทราบว่าเราจะมีาบาปติดตัวไหมครับไม่มีหรอกเพราะมันไม่ได้มีเจตนามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องสมวิสัยคุณมะเหมี่ยวครับรับอาหารและของใช้ที่ประสงค์พิจารณาให้อย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าไม่ไปขอก็ไม่บาปถ้าไปขอก็เป็นกิเลสเป็นความโลภไม่ควรไปขอของจากใครแต่ท่านเขาอยากจะให้เราเราก็สามารถรับได้ จอยครับจะํากล่าวว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญจึงควรทําบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีเพื่อให้บุญที่ทําเจริญงอกงามสิ่งนี้เป็นจริงหรือไม่เหตุที่สงสัยเพราะอาจารย์เทศว่าไม่ว่าทําบุญกับใครก็ได้บุญเท่ากันกับขอคําชี้แนะนะครับใช่บุญมันเี็อันที่สองสองอย่างไงเวลาทําบุญกับใครเนี่ยบุญที่บุญส่วนแรกก็คือบุญที่เราได้จากการเสียสละการให้ของเราอันนี้ให้กับใครก็ได้เท่ากันหมด แต่บุคคลที่เราไปทําบุญด้วยนี่นเขาอาจจะมีอะไรตอบแทนเราเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่ได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมถ้าเราไปทําบุญกับพระที่มีมีธรรมะเราก็าจะได้ธรรมะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งตอบแทนมาอย่างหนึ่งก็เป็นบุญอีกชั้นหนึ่งบุญบุญอีกกระทงหนึ่งแต่ถ้าเราไปทาบุญกับพระที่ไม่มีธรรมะเราก็จะไม่ได้ธรรมะในส่วน ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็เราไปทำมือกับพระที่มีธรรมะพระที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าน้อยลงมาก็คือพระปฏิการพุทธเจ้าน้อยลงมาก็พระอาหาร น, น้อยลงมาก็พระอาานาคามีตามลําดับจนถึงกระทั่งพระธรรมดาก็ามีธรรมะมากน้อยต่างกัน การนั่งสมาธิในช่วงที่ว่างระหว่างวันได้ครั้งละห้านาทีเช่นช่วงก่อนเริ่มทำงานหรือตอนพักเที่ยงแบบนี้นับเป็นเพียงการจเจรเินสติหรือการปฏิบัติสมาธิครับก็เป็นทั้งสองอย่าง่เมงดาวยังไม่ได้ผลจิต <c oughs> ย, ยังไม่สงบเ ป, เ, เป็นการเจริญมั้ยเป็นการเดินขึ้นบันไดยังเดินแม่ไปไม่ถึงชั้นที่เราต้องการจะไปคุณโต๊กครับสวดมนต์แล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมครับ มันก็มีส่วนถ้าเราสวนวันล้วทําให้เรามีสติเราทาอะไรด้วยสติมันก็ยังดีกว่าการทําอะไรด้วยการไม่มีสติคุณสายลงครับขอโอกาสเรียนถามครับถ้ามีวิญญาณรบกวนบ่อยๆเช่นมาตบหน้าบ้างมากอดบ้างเราควรทําอย่างไรให้เขาไม่มากวนครับเราห้ามเขาไม่ได้เราต้อพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไหมไหวก็ทําไปให้เรารู้เฉยๆไป คุณปังปอนครับบทแผ่เมตตาพระอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นคําแต่งขึ้นมาใหม่ไม่ได้ออกจากพระโอษฐ์จะแผ่เมตตาเป็นผลไหมครับมันไม่เป็นผลนะการสวดนี้ไม่ว่าจะสวดบทไหนมันก็ไม่เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้อก่อนจากการกระทําคุณไพรโรธครับเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วสังขารเรายังอยู่ไหมครับมันยังปรงแต่งตอบไปได้อีกไหมครับ ได้มันก็เป็นสังขารที่เรียว่าเป็นสร้างมัตภาพต่างๆให้กับเราได้สัมผัสไงแต่มันจะเป็นสังขารเป็นฝ่ายบุญหรือสังขารฝ่ายบาปถ้าเป็นสังขารฝ่ายบุญมันก็จะสร้างมัตภาพที่มีแต่ความสุขให้เราได้เสพได้สัมผัสแต่ถ้าเป็นมัตสังขารฝ่ายบาปมันก็จะสร้างแต่เรื่องราวที่ทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ ถ้าลูกวัยรุ่นพูดจาตีเสมอกับพ่อแม่บางครั้งจะช่วยลูกให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างที่ผ่านมาก็สอนตลอดมาแล้วครับถ้าสอนแล้วเขาไม่ทำตา ม, มต้องทาใจมันเป็นเรื่องของของความดื้อรั้นรือความไม่มีสมาไม่มีปัญญาที่ไม่เห็นรู้ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำคุณนตตี้ครับสมาธิขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือระดับไหนครับ สมาธิไม่มีนะัรูปฌานอารูปฌปานขั้นสูงสุดของสมาธิก็คืออรูปฌานหรือขั้นที่เรียกว่าสมาบัติเนี่ยอันนี้ขั้นสูงสุดก็คือสมาบัติมีเขาเรกสัญชาสมาบั ต, ติชื่อแต่งเเรียกว่าสัญญาเวดิสนิโรธนิโรธสมาบัตินี่ คุณพอเพียงครับในโลกมนุษย์นี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดหรือเปล่าครับอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกสามีภรรยาครับมันก็เป็นเรื่องที่เรากําหนดขึ้นมาเองว่าถ้าคนนี้ออกมาจากคนนี้คนที่ออกมาก็เป็นลูกคนที่ให้ําำนัด ก, ก็เป็นพอ่อเราเรียกว่ามันเป็นสมมุติก็ได้คุณวอลักษณ์ครับนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้สวดมนต์ได้ไหมครับได้ ถ้านั่งสมาธิได้ไม่ต้องสวดเลยก็ได้คนที่สวดนี่ส่วนใหญ่ยั ง, ยงนั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยอาศัยการสวดไปก่อนคุณเทียนชัยครับนั่งสมาธิแล้วเกิดสงบลงแต่มีความรู้สึกคล้ายๆง่วงต้องทำอย่างไรครับก็แสดงว่าสติเราหมดก็ต้องพยายามเจรัญสติต่อไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพื่อให้มันหายง่วงให้เน่งสติกลับมา คุณชมชนกครับสอบถามพระอาจารย์โยไม่ค่อยได้ใส่บาตรเช้าแต่นำอาหารไปถวายมื้อเพนได้บุญเท่ากับใส่บาตรตอนเช้าไหมครับได้ได้เท่ากันคุณจริยาบอกว่านั่งสมาธิตัวแข็งแต่ใจนิ่งทำถูกไหมครับถูกนวะร่างกายจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจเวลาที่เรานั่งสมาธิวอยวางร่างกายเพื่อทำใจให้นิ่งอย่างเดียว คุณมุลครับนั่งสมาธิแล้วตัวโยกไปมาแต่ยังมีสติตอยู่ต้องทำยังไงครับถ้าทางโยกถ้ามีส ต, ติมันจะไม่โยกถ้าโยกสนแสดงว่าส ต, ติแล้วไม่มีแล้วอยากทราบว่าเวลาใส่บาตรเราควรนั่งรับพรจากพระหรือควรยืนรับพรจากพระครับ น, น, รนั่งทำมือพระป่าเราไม่ให้พรเราใส่บาตรใส่ก้าไปเลย ไม่ทราบที่ไหนเขาทาเป็นทำเยียมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอย่ายืนรับก็ได้อย่านั่งรับก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมก็แล้วกันขอให้เราแสดงความเคารพในบุญในพรที่เขาให้ก็แล้วกันคุณดาราวันครับจิตรวมมีอาการเป็นอย่างไรครับอันนี้เราทําเองเป็นแบบว่าเกิดสงบนเย็นสบายเบา อ, อกเบาใจมีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน คุณจันทนาคมครับบอกว่าหากเคยทําบาปหนักบุญจะสามารถลดบาปที่เคยทํามาได้ไหมครับบาปลดไม่ได้แต่บุญอาจจะต้านบาปไหมไม่ให้แสดงผลก่อนได้ถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาบุญก็จะ่ก็จะเป็นผู้แสดงผลก่อนตอนที่เวลาที่เราตายแต่ไมล่ลบล้างบาปที่ทําไว้ไม่ได้คุณสันวัตรครับ มีเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติก็ถามว่าเขาถามเราว่าตอบได้ไหมทางปรัสนาคนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับได้ใช้ที่เรามาเกิดก็เพราะความอยากอยากหาความสุขจากทางตาหูจมูกนิ้วกายเ็นคนทุกคนที่มาเกิดนี่ก็เกิดมาเพื่อหาความสุขจากรูปรูปเสียงกลิ่นร้อยกันทรรมนั้นไึ้มาเกิดกันแต่มันถามว่าดีไหมมันก็ตอบว่าไม่ดี ทางศาสนาพูดว่าการมาเกิดเพื่อมาหาความสุขอย่างรูปเสียงเกิดร้อนนี่เป็นการมาหาความทุกข์เพราะรูปเสียงเกิดร้อนมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาังั้นถ้าไม่ทำการจะมีความทุกข์ก็อย่ามาเกิดดีกว่าหยุดการเกิดด้วยการหยุดความอยากที่จะมาเสพรูปเสียงเกิ่ร้อนคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับตอนนี้วอกแวกและสับสนครับการภาวนานเดี๋ยวมีพุโทโธมีธรรมโมสังโฆหลังๆนี่เปิดเพลงคลื่นอัลฟา รู้สึกสงบแต่ก็รู้สึกไม่อยู่ในขนทางของพ่อแม่ครูอาจารย์พราะคิดว่าพุโทโธดีที่สุดควรแก้อย่างไรครับก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยดีสุดท่านเป็นผู้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนี่เวลาหมดแล้วรครับ <Okay. S 1> อ, อาจารย์ครับโอเคขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังธรรมด้วยกันในเฟสเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ครับ ในยู568ในคลับสี่นะครับในทิกตอก409รวมทั้งหมด 1,729 คนครับอาจารย์ครับช่วงนี้ไปตามจังหวัดกันเยอะเดินทางกันเยอะเะไรอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้ามาก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแต่เราอย่าไปทุกข์กับมันนะถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาก็เป็นไปตามความเป็นจริง ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามานมัสสันธนาหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นําไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่ขึ้นไปตามระดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขไพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอิสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุอันใดขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ